สัพพยุตยานเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับผู้ที่จะเข้าใจและยอมรับในเรื่องสัพพัญยุตยานซึ่งมีคําอธิบายไว้อย่างหนึ่งว่าสัพพัญยุตยานนั้นเป็นอัปติหัตยานหรืออนาวรณยานซึ่งแปลว่าเป็นยานที่ไม่ติดขัดไม่มีอะไรมากั้นหรือขวางได้หมายความว่า ถ้าพระพุทธองค์ทรงปราถนาที่จะรู้อะไรแล้วเป็นอันรู้ได้ทุกอย่างแม้เรื่องนั้นๆจะไม่เคยทรงรู้เห็นมาก่อนไม่เคยทรงศึกษามาก่อนก็สามารถที่จะทรงรู้ได้และรู้ได้โดยไม่ผิดด้วยขอได้โปรดจําไว้ด้วยว่าคําว่าสัมมาสัมพุทธะก็ดีสัพพันญูก็ดี ทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าสามารถที่จะทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตนเองหรือจากตนเองและรู้ได้อย่างถูกต้องไม่มีการผิดพลาดเลยนี่คือความหมายของคำว่าสัมมาสัมพุทธะและคำว่าสัพพันยูคราวนี้มาถึงปัญหาว่าพระองค์ทรงรู้ว่าแบบนี้ได้อย่างไร เหตุผลอันที่จะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ก็คือ 1. พระพุทธเจ้าทรงสามารถที่จะระลึกชาติของใครๆก็ได้และระลึกได้โดยไม่มีขีดจํากัดการระลึกชาติได้ก็คือการนึกได้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวในผลหลังแม้ว่าเรื่องนั้นจะร่วมผ่านมาแล้วนับเป็นร้อยๆชาติพันชาติหรือนานนับเป็นกลับ ก็ทรงสามารถที่จะระลึกได้การระลึกชาติได้นี้ก็เหมือนกับเราเรียนรู้อะไรมาเคยมีประสบการณ์มาอย่างไรเคยรู้อะไรมาเมื่อมีความจำดีก็สามารถที่จะระลึกถึงสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาได้ทั้งหมดและสําหรับพระพุทธเจ้า เคยผ่านการเรียนรู้เรื่องต่างๆมามากมายในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเคยทรงศึกษาแม้กระทั่งวิชาการครัวการจักสารและศิลปะอื่นๆทุกชนิดเท่าที่เคยมีมาแล้วในอดีตซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะศึกษาได้จากเรื่องชาดกต่างๆที่พระองค์ตรัสเล่าถึงเรื่องอดีตชาติของพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่พระองค์จะใสยความรู้เก่าๆที่เคยผ่านมาแน่ดีตแม้จะนานนับเป็นร้อยร้อยชาติหรือพันชาติหรือมากกว่านั้นพระองค์ก็ทรงทําได้นี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้พระองค์ทรงทราบถึงชื่อของสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนในชาตินี้ 2. พระพุทธเจ้า ทรงสามารถที่จะอ่านเอาจากสิ่งสิ่งนั้นได้ทํ้ น, นองเดียวกับหมอชีวกกรมรพัฒซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อท่านเรียนจบวิชาแพทย์จากนครตักศิรามาและเมื่อเดินทางผ่านป่าพบต้นไม้หรือพืชอะไรก็ตามก็สามารถที่จะถามเอาจากต้นไม้หรือพืชนั้นๆว่าชื่ออะไรมีสรรพคุณในทางไหน ต้นไม้หรือพืช น, น, นั้นจะสามารถบอกได้ทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้บางคนอาจจะอธิบายว่าถ้าเรื่องที่เล่ากันมานี้เป็นความจริงก็แปลว่าท่านศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์มาจนจบสิน้นฉะนั้นเมื่อมาพบต้นไม้หรือพืชชนิดไหนจึงรู้จักได้ทั้งหมดและอีกอย่างหนึ่งคือหมอชีวโกโกมรารพัฒ เคยฝึกสมาธิมาได้ถึงขั้นสูงคือถึงขั้นที่จะเพ่งไปยังต้นไม้หรือพืชใดๆและตั้งคําถามเพื่อต้องการจะรู้เรื่องใดแล้วก็จะได้รับคําตอบจากต้นไม้นั้นหรือพืช น, นั้นๆได้เสมอซึ่งเรื่องอย่างนี้คนที่ไม่ทราบถึงเรื่องชาญวิสัยก็อาจจะไม่ยอมรับเลยว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ แต่สำหรับข้าพเจ้าเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ก็เพราะมีเหตุผลส่วนตัวเช่นนี้คือข้าพเจ้าเคยพิจารณาพฤติกรรมของพืชและเข้าใจมานานแล้วว่าต้นไม้หรือพืชทุกชนิดมีวิญญาณโครงสร้างของพืชทุกชนิดเกิดจากวิญญาณในพืชเมื่อเราสามารถเข้าสมาธิ ไปสัมผัสกับวิญญาณในพืชได้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าพืชชนิดนั้นๆชื่ออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ทั้งนี้ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นความรู้ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยไม่เช่นนั้นจะอ่านไม่ออกหรือพูดออกมาเป็นภาษาให้คนในปัจจุบันรู้ไม่ได้ ซึ่งถ้าหากความรู้ในปัจจุบันยิ่งมีมากและรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากเท่าไรก็ยิ่งจะเป็นการง่ายต่อการที่จะรู้และเข้าใจเรื่องพืชได้เร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งผิดกับคนที่เรียนรู้มาโดยอาศัยประสาทสัมผัสอย่างเดียวแต่ไม่มีสมาธิขั้นสูงดังที่กล่าวมา เขาก็จะรู้ได้เฉพาะเท่าที่เรียนมาเท่านั้นส่วนคนที่มีสมาธิสูงจริงๆนั้นจะรู้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนซึ่งจะรู้ได้มากแค่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นสองประการคือการเรียนรู้ในปัจจุบันกับกําลังของสมาธิว่าสูงแค่ไหน แถ้าสมาธิไม่ได้มาตรฐานแล้วการรู้โดยวิธีเพ่งไปยังต้นไม้แล้วจะรู้เรื่องของต้นไม้ได้เองโดยไม่มีใครบอกหรือไม่เคยรู้มาก่อนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 3. ถามจากพวกโอปปะปฎิกาที่เคยรู้เรื่องนั้นๆมาก่อนซึ่งเรื่องในทํานองนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำได้แน่นอนหรือบางทีไม่ทันต้องให้ถามแต่โอปปตฏิกะที่รู้ใจหรืออ่านใจของพระองค์ได้ก็สามารถบอกได้ทันทีอย่าลืมว่าพวกโอปปปฏิกะทุกประเภทโดยเฉพาะผู้ที่เรียกกันว่ารุคเทวดาหรือภุมมะเทวดาหรือบรรดาเจ้าพ่อเจ้าป่า เจ้าเขาทั้งหลายนั้นพวกนี้เมื่อก่อนก็เคยเป็นมนุษย์มาแล้วบางคนก็มีความรู้ในเรื่องพืชเรื่องสมุนไพรเรื่องต้นไม้ตลอดทั้งพวกสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นอย่างดีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แม้ตายไปแล้วก็ไม่สูญยังคงติดตัวไปอีกทั้งนี้ก็เพาะมีหลักธรรมอยู่ว่าบรรดาเจตสิก ท, ทั้งหลาย คือเวทนาขันสัญญาขันและสังขารละขันคือสังขารที่เป็นนามธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของวิญญาณฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ติดตามวิญญาณไปได้ดังเช่นในหนังสือเรื่องการสำรวจโบราณสถานซึ่งได้พิมพ์มานานแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นั้นในหนังสือเล่มนี้ ได้บันทึกคำบอกเล่าถึงประวัติของโบราณสถานต่างๆโดยผู้ที่เล่าก็คือพวกโอปปติกะซึ่งเมื่อก่อนเคยเกิดเป็นคนอยู่ในสมัยนั้นๆเช่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของโบราณสถานที่จังหวัดสุขโขทยัยได้ถูกต้องอย่างน่าอาัศจรรย์อย่างนี้เป็นต้น หรือตัวอย่างที่พบในหนังสือวิญญาณบ่อยๆก็คือพระดำรัสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีมากมายจากตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตายไปนั้นความรู้ความสามารถต่างๆในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นไม่ได้สูญไปพร้อมกับความตายฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ที่พวกโอปปจิกาจะบอกให้รู้ชื่อของสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนหรือต้องถามใครในโลกมนุษย์ 4. เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่ยงคือเพราะเหตุที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุถึงพุทธภาวะหรือเรียกในหนึ่งว่าสัพพัญยุตภาวะ ซึ่งผู้ที่จะบรรลุถึงภาวะอันนี้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้โดยธรรมดาผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงนั้นถึงแม้จะได้ถึงขั้นสูงสุดคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ตามและถึงแม้จะได้พิญญาครบทั้งห้าคือได้อิทธิวิธีทิพยโส เจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณสูงสักเพียงไรก็ตามหากไม่ได้เป็นพระราหารันยังไม่ได้อศวรขยายานก็ไม่อาจจะเข้านิโรธสมาบัติได้ผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้นั้นนอกจากจะเป็นผู้ชำนาญในการเข้าสมาบัติทั้งแปดแล้ว อย่างต่ําจะต้องเป็นภาริยบุคคลขั้นพระนาคามีด้วยจึงจะสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้แต่โดยปกติแล้วพระนาคามีที่สามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้นั้นไม่เคยปรากฏตัวอย่างในคำภีร์มีกล่าวไว้แต่ในทางหลักวิชาเท่านั้น ตัวอย่างของผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้เท่าที่กล่าวไว้ในคำพีมีแต่พระรหันที่ชำนาญในสมาบัติทั้ง8ดเท่านั้นการเข้าถึงพุทธภาวะหรือสัพพัญยุตพภาวะนี้ในคำพีของเราไม่มีอธิบายไว้อย่างชัดเจนแต่ในคำพีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงใจในที่นี้หมายถึง the essence of mind เหมือนกันกับขนาดของอากาศ space มันเป็นสิ่งที่บัญญัติไม่ได้คือมันไม่ใช่ของกลมหรือของเป็นเหลี่ยมไม่ใช่ของโตรหรือของเล็กไม่ใช่ของเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาวไม่ใช่ของที่มีบนมีล่างไม่ใช่ของสั้นหรือยาว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 และรู้หนึ่งสิ่งภายในทุกๆสิ่งเมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันโดยไม่ติดขัดและเป็นอิสระที่จะไปหรือมาเมื่อนานชื่อว่ามันอยู่ในภาวะแห่งปรัชญาจากหนังสือสูตรเว้ยหลางแปลโดยท่านพุทธทาสพิขุการเข้าถึงพุทธภาวะหรือสัพพัญยุตภาวะนั้น ก็คือสามารถเข้าถึงความว่างได้อย่างสมบูรณ์คือแม้ในส่วนลึกผวังขจิตก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งสิน้นพร้อมทั้งกิเลสทุกอย่างในสันดานก็ไม่มีเลยเรียกว่าเป็นพระราหันจริงๆซึ่งในเมื่อเป็นพระราหันแล้วก็หมายความว่าสังโยชน์ทั้งสิบคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลพตปารามากามราคาปฏิคารูปราคาอรูปราคามานะอุทัจจะและวิชาไม่มีให้สังเกตคำว่าอุทัจจะกับอวิชาคือถ้าอุทัจจะไม่มีก็หมายความว่าในใจมีความสงบอย่างยิ่งการเข้าถึงนิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือ การเข้าถึงบรมสันติและถ้าวิชาไม่มีก็หมายความว่ามีแต่วิชาคือการรู้แจ้งในสิ่งต่างๆเป็นการรู้แจ้งอย่างชนิดที่แน่ใจที่สุดไม่มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงใดๆเหลืออยู่เลยอันหนึ่งคําว่าเข้าถึงนิโรธาสมาบัตนานหมายถึงการเข้าถึงความดับสนิท ตาคำภาวนาที่ว่าภาวะนิโรโทรนิพานังความดับไม่มีเหลือแห่งพบคือการดับได้อย่างสนิทคือนิพพานและเป็นการดับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นการที่สูจนให้รู้แจ้งด้วยตนเองว่าการเข้าถึงนิพพานนั้นเป็นอย่างไรดีวิเศษอย่างไรสมจริงหรือไม่ กับคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านิพพานังปรามังวันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดและสมจริงหรือไม่กับปรากฏการณ์ที่เหมือนกันหมดทุกองค์คือใครก็ตามเมื่อได้บรรลุถึงภาวะอันนี้แล้วจะทำให้เบื่อหน่ายในการเกิดทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไร วิเศษสูงสุดแค่ไหนก็ไม่พึงปรารถนาและการที่จะไม่เกิดอีกนั้นก็เป็นความสมัครใจเต็มใจเองที่จะไม่เกิดมันเหมือนกับคนที่เกิดมามีตาดีไม่มีใครสมัครใจจะกลับไปเกิดเป็นคนตาบอดอีกถึงแม้ว่าการอยู่ในโลกแห่งตาบอดนั้นจะสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงไร กับมโนภาพที่วาดขึ้นมาก็ตามก็จะไม่มีใครคิดกลับไปเป็นตาบอดอีกฉะนั้นอันหนึง่งการเข้าถึงความดับสนิทดังที่กล่าวมานานขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เหมือนกับอะไรทั้งสิน้นเช่นคนนอนหลับจิตก็ไม่ได้ดับเพราะยังมีฝันคนที่เข้าสมาธิได้ถึงขั้นไม่รู้สึกตัวไม่รู้ถึงสิ่งภายนอก ในใจความนึกคิดไม่มีแต่ถึงกระนั้นจิตก็ไม่ได้ดับเพราะจิตยังต้องยึดอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความรู้สึกข้างในยังมีคนที่สลบไม่รู้สึกตัวคนที่กำลังจะตายแม้เข้าขั้นโคม่าไม่รู้สึกอะไรเลยในใจส่วนลึกก็ยังมีความรู้สึกนึกคิด และแล้วก็ยังจะต้องเกิดอีกในเมื่อไม่ใช่เป็นพระราหันฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าวิสัยของคนทั่วไปซึ่งไม่ใช่เป็นพระราหันและไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติแล้วจิตหรือวิญญาณจะไม่เคยดับสนิทเลยมีแต่การเกิดดับคือเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดอีกภาวะอันนี้จะเป็นไปยอย่างรวดเร็ว เหมือนกับการเกิดดับของเปลวไฟที่ปลายเทียนซึ่งกำลังลุกโครงอยู่ฉชนั้น เข้าถึงนิโรธาสมาบัติแสดงให้เห็นว่าจิตได้มีความอิสระที่จะไปหรือมาหรือจะให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งจิตโดยธรรมดามีการเกิดดับเร็วขนาดไหนความอิสระของจิตในเมื่อเข้านิโรธาสมาบัติได้นั้นก็จะมีภาวะแห่งความรวดเร็วเช่นเดียวกันขนาดนั้น ขอให้เทียบดูกับจิตที่ไม่เป็นอิสระมีเครื่องทวงอยู่อย่างมากเช่นมีนิวรณ์ทั้งห้าครอบงำอยู่เมื่อตั้งใจจะให้จิตนิ่งไม่คิดอะไรเลยหรือไม่ให้แสบไปไหนหรือจะให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันใดานานๆจะเห็นว่าทำไม่ได้ส่วนจิตที่สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วจะทำได้ง่ายหรือจิต ที่แม้จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นเวลานานจนกระทั่งไม่รู้ถึงสิ่งภายนอกแต่ในเมื่อยังมีปีติและสุขอยู่ในใจใจยังไม่เป็นอุเบกขาจริงๆสติยังไม่สมบูรณ์ทุกขณาจิตเมื่อตั้งใจจะให้จิตดับก็ทำไม่ได้คือจิตไม่ยอมดับต่อเมื่อปีติสุขไม่มีมีแต่อุเบกขาและเอกขตา คือได้จตุทชาญจึงจะอธิษฐานให้จิตดับได้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เป็นการดับแบบเข้าถึงนิโรธาสมาบัติเพราะกิเลสในสันดานยังมีอยู่กิเลสอันนี้จะคอยทวงหรือกันมิให้จิตดับสนิทได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตยังไม่ได้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เหมือนกับผู้ที่เป็นพระอาราหารันต กิเลสในสันดานไม่มีแล้วและกําลังสมาธิก็สูงถึงขั้นได้สมาบัติ8ฉะนั้นจึงสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ผู้ที่เข้าถึงนิโรธาสมาบัตได้ชื่อว่าเข้าถึงพุทธภาวะหรือสัพพายุตภาวะซึ่งสามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างรู้ได้ทันทีรู้ได้อย่างฉับพลัน รู้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนเพียงแต่ตั้งใจว่าจะรู้อะไรความรู้ในเรื่องนั้นๆก็จะปรากฏออกมาทันทีความสามารถอันนี้ทรพพุทธเจ้าทรงมีแน่นอนและมีอย่างชนิดที่สมบูรณ์กว่าพาระราหันใดๆทั้งหมดด้วยทั้งนี้ก็โดยเหตุสองประการคือหนึ่งเพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ในฐานะที่เข้านิโรธสมาบัติได้ซึ่งคุณสมบัติอย่างนี้ย่อมมีแก่พระราหันทุกองค์ที่เข้านิโรธสมาบัติได้แต่แล้วพระราหันทุกองค์มีความสามารถในอันที่จะรู้สิ่งต่างๆไม่เท่ากันนั้นเป็นเพราะเหตุข้อที่สองคือ 2. เพราะบารมีทั้งสิบ โดยเฉพาะคือปัญญาบารมีที่สะสมมาในอดีตไม่เท่ากันเหมือนกับคนที่ได้สมาธิเท่ากันแต่พื้นความรู้ที่มีอยู่ในสันดานไม่เท่ากันความสามารถในที่จะรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองนั้นย่อมไม่เท่ากันอันหนึง่งการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันธ์ูคือทรงรู้อะไรสารพัด แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็สามารถที่จะรู้ได้นั้นยังมีเหตุผลอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่คนทั่วไปยอมรับได้ยากมากกล่าวคือบัรดาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามจะเป็นในโลกมนุษย์หรือในโลกของโอปปะปิกะ จะเป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นเอกภพเป็นสสารพลังงานต่างๆนั้นทั้งหมดนี้โครงสร้างหรือแกนในของมันก็คือพลังงานที่เป็นนามธรรมหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าวิญญาณสากลตามหลักพุทธศาสนาในทางปรมัติ ได้แบ่งสิ่งต่างๆไว้เป็นสองประเภทคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมคือธาตุทั้งสี่นามธรรมก็คือวิญญาณพร้อมกับคุณสมบัติของมันคือเวทนาสัญญาและสังขารรูปธรรม ท, ทั้งหมดเป็นวัตถุมืดบอดไม่อาจจะรู้อะไรได้ไม่ว่าโดยวิธีไหนไหน สิ่งที่สามารถจะรู้อะไรๆ ไ, ได้นั้นมีอย่างเดียวคือวิญญาณธทานซึ่งแปลว่าทา่านรู้ขอให้สังเกตว่าไม่ว่าสิ่งนั้นๆจะไร้ชีวิตหรือมีชีวิตก็ตามทุกอย่างจะมีโครงสร้างมีกฎเกณฑ์ประจำตัวของมันเมื่อพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดแล้วจะพบว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเสมือนเครื่องจักรหรือบ้านหรืออะไรก็ตามซึ่งมีโครงสร้างมีรูปแบบและโครงสร้างหรือรูปแบบเหล่านี้สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดผู้ที่รอบรู้ในวิชาเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาก็คือผู้ที่รอบรู้ในโครงสร้างของสิ่งต่างๆอันเป็นของธรรมชาติปัญหามีอยู่ว่า โครงสร้างเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นเองนั้นแน่นอนแต่ทำไมจิตใจของมนุษย์จึงสามารถเรียนรู้โครงสร้างเหล่านี้ได้ผู้ที่สร้างเครื่องจักรขึ้นมาก็คือจิตใจของวิศวกรผู้สร้างผู้ที่เรียนรู้ก็คือจิตใจของวิศวกรผู้เรียนรู้ ด้วยการเฝ้าสังเกตรปรากรการหรือพฤติกรรมของมันจนกระทั่งรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆว่าอันนั้นคืออะไรมีพฤติกรรมอย่างไรมีขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรสิ่งต่างๆในโลกหรือผู้อีกนหนึ่งว่าเอกภพนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มโนปุพังเข้ามารำมามโนเศรษามโนมายามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานหรือเป็นที่มาหรือเป็นมูลฐานของธรรมทั้งหลายคือทั้งรูปธรรมนามธรรมาและกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเกิดมาจากวิญญาณถ้าหากว่า พุทธพจน์อันนี้มีความหมายครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อโยกเว้นเลยก็แปลว่าวิญญาณหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าวิญญาณธาตุซึ่งแปลว่าธาตุรู้นั้นธาตุนี้สามารถที่จะรู้อะไรได้ต่างๆคือรู้เรื่องรูปธรรมก็ได้เรื่องนามธรรมก็ได้รู้กฎธรรมชาติก็ได้ รู้เรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสโหดถัพพะและทำมารมทั้งหลายก็ได้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือทางมโนทาวารก็ได้สิ่งที่มีความสามารถเช่นนี้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือวิญญาณะทานคนและสัตว์ทั้งหลายมีวิญญาณ เกิดจากวิญญาณ น, นั้นชาวพุทธโดยทั่วไปยอมรับแต่ถ้าบอกว่าพืชหรือต้นไม้ทั้งหลายรวมทั้งพวกจุลินทรีย์ต่างๆก็มีวิญญาณด้วยเหมือนกันชาวพุทธวางพวกเท่านั้นยอมรับแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับและถ้าบอกว่าแม้แต่ในวัตถุที่ไร้ชีวิตเช่นก้อนอิฐก้อนหินกรวดทราย แร่ธาตุต่างๆก็มีวิญญาณจะเห็นว่าน้อยมากที่จะยอมรับในเรื่องนี้เช่นเดียวกับการที่จะเข้าใจเรื่องสัพพันญูของพระพุทธเจ้าได้จริงๆและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพันญูจริงๆนั้นเป็นการยากมากเหมือนกับคนทั้งหลายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดว่าต้นไม้หรือพืชทั้งหลายมีวิญญาณ และยิ่งจะให้ยอมรับไปถึงวัตถุที่ไร้ชีวิตก็มีวิญญาณด้วยนั้นจะเห็นว่ามีน้อยเพียงไรสัพพัญยุตภาวะคืออะไรมีจริงหรือไม่เรื่องสัพพัญยุตภาวะซึ่งหมายความว่าใครก็ตามในเมื่อเข้าถึงภาวะอันนี้แล้วผู้นั้นสามารถที่จะรู้อะไรได้ทุกอย่าง รู้ได้ทันทีรู้ได้อย่างฉับพลันรู้ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนเพียงแต่ตั้งใจว่าจะรู้อะไรความรู้ในเรื่องนั้นๆก็จะปรากฏออกมาทันทีเรื่องนี้ได้เคยที่บายมาบ้างแล้วแต่เรื่องทั้งหมดเที่ยวทบายมานั้นยังมีปัญหาอีกหลายอย่างซึ่งจะต้องอธิบายอีกไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความสับสน หรือเกิดความไม่แน่ใจอันหนึ่งที่จำเป็นต้องอธิบายอีกก็เพราะข้อความในหนังสือสูตรเว้ยหลางที่นำมาอ้างนั้นถ้าอ่านเพียงแค่นั้นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่สำหรับผู้ที่เคยอ่านหนังสือสูตรเว้ยหลางนี้มาแล้วและอ่านอย่างละเอียดตลอดทั้งเล่ม น, นั้นก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะบางคนอาจเข้าใจว่าคำว่าจิตเดิมในคำพีฝ่ายมหายา น, น้นคงจะตรงกับคำว่าจิตประพัดสอนตามความหมายของคำพีฝ่ายเทรวาตเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปภิสระมีทางพิขเวจิตตังตันจะโคอาคันตุเกหิอุปากิเลเสหิอุปกิลิถัง ซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพาสสอนประพาสสอนแปลว่าผ่องแพ้วบริสุทธิ์ก็แต่จิตนี้ที่เกิดเศร้าหมองไม่ผ่องแพ้วนั้นเป็นเพราะอุปกิรณ์ทั้งหลายที่จอนมาเข้าไปทําให้เศร้าหมองพุทธพจน์บทนี้มีอยู่ในคำภีอังคุตระนิกายเอกานิบาตหน้าสิข้อห้าสิบ และต่อมายังมีข้อความอีกตอนหนึ่งว่าประภัสสรมีทางภิกคเวจิตตังตันจกักโขอาคันตุเกหิอุปกิเลสเสหิวิปะมุตัตงภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประภัสสอนฉะนั้นจิตนั้นจึงพ้นจากอุปกิเลส ท, ทั้งหลายที่จอรมาได้พุทธพจน์บทนี้ มีบางคนอธิบายคําว่าจิตเป็นประภัสสอนหมายถึงจิตเดิมซึ่งคําว่าจิตเดิมตามความหมายของสูตรเว่ยหลางนั้นท่านพุะเจาธตแปลมาจากคําในภาษาอังกฤษว่า the essence of mind ตามศัพท์แปลว่าเนื้อแท้หรือแก่นในของจิตซึ่งท่านเว่ยหลางกล่าวว่าจิตเดิมหรือเนื้อแท้ของจิตนั้น เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ดังจะเห็นได้จากข้อความในตอนหนึ่งที่ท่านเว่ยหลางกล่าวไว้ดังนี้จิตเดิมแท้นั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างบริสุทธิ์แท้จริงจิตเดิมแท้นั้นเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจความต้องเป็นอยู่หรือภายใต้ความดับสูญอย่างอิสระแท้จริงจิตเดิมแท้นั้น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 หรือพบจิตเดิมที่ว่านี้ได้ด้วยตนเองในเมื่อได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วดังที่ท่านเว่ยลางได้เคยให้เขาเขียนบทสรลปไว้ว่าต้นโพก็ไม่มีกระจกเงาก็ไม่มีเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุนจะลงจับอะไรบทสโลปนี้ท่านให้เขาเขียนติดไว้ที่ฝาผนัง เพื่อให้สังคราชองค์ที่ห้าได้เห็นที่ต้องให้คนอื่นเขียนก็เพราะท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อสังคราชได้เห็นบทกวีธทมอันนี้แล้วจึงได้เรียกท่านไปหาเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนและสอนทำอะไรอีกหลายอย่างจนกระทั่งในที่สุดท่านได้เห็นแจ้งธรรมได้บรรลุธรรมซึ่งธรรมที่ท่านได้บรรลุนั้น ก็เช่นข้อความดังที่ยกมาให้ดูนั้นฉะนั้นจากบทกวีธรรมอันนี้แสดงให้เห็นว่าท่านบรรลุธรรมหรือผู้อีกนหนึ่งว่าท่านได้รู้จากจิตเดิมเข้าถึงจิตเดิมได้ก็เพราะการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหลักอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ปัญจวัคคียานางังภิกขุนงังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุจจริสุจิตของพระปัญจวัคคีทั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานข้อความอันนี้มีอยู่ในตอนท้ายของอนัตตลักณะสูตรฉะนั้นผู้ที่ศึกษาเรื่องสูตรนี้ และเข้าใจโดยละเอียดนั้นจะเห็นว่าหลักของการหลุดพ้นของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกับฝ่ายของเทรวานนั้นก็เหมือนเหมือนกันคือต้องปล่อยวางในเรื่องตัวตนและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหรือมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเป็นสุญญาตาจึงจะหลุดพ้นได้แต่อย่างไรก็ดี ถ้าไปหลงติดคำว่าจิตเดิมแล้วเข้าใจว่าจิตเดิมหมายถึงจิตอันแรกซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมหรือมีมาตั้งแต่ดึกดำบรร น, นานนับเป็นกับกับจนกระทั่งหาจุดเริ่มต้นไม่ได้นั้นถ้าไปหลงติดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็จะต้องทำให้เกิดความสับสนแน่นอนเพราะโดยธรรมดา จิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของเป็นพระราหันองค์ใดก็ตามในระยะแรกที่มาเกิดนั้นคือก่อนที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระาราหันนานไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จิตบริสุทธิ์มาก่อนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้หรือยังจะต้องเกิดอีกในโลกไหนก็ตามนั้น จิตทุกดวงจะต้องมีกิเลสอยู่ในสันดานเด็กทารกที่เกิดใหม่ก็ไม่มีใครที่มีจิตบริสุทธิ์เพียงแต่ในเมื่อยังเป็นเด็กทารกอยู่กิเลสต่างๆที่มีอยู่ในสันดานเช่นตัณหาราคาเป็นต้นนั้นยังไม่ได้แสดงออกมาแต่ถึงกระนั้นถ้าสังเกตให้ดีก็จะทราบว่า เด็กทุกคนพอคลาดออกมาก็จะเห็นได้ชัดว่ามีกิเลสเช่นเด็กแสดงความกลัวความตกใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าไปสืบสาวหาต้นเดิมตั้งแต่จุดเริ่มต้นขอให้คิดกันแต่เพียงว่าจิตนี้บริสุทธิ์ได้หมดจากกิเลสได้เช่นเดียวกับน้ำน้ำโดยทั่ ว, วไป ไม่ว่าจะสกปรกอย่างไรก็สามารถที่จะนำมากรานหรือกรองเอาสิ่งสกปรกออกไปได้หมดเพราะโดยธรรมชาติของน้นานั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสิ่งสกปรกอะไรที่เจือปนอยู่ในน้าฉะนั้นน้ำที่สกปรก น, นั้นทุกอย่างสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนก็มีความหมายเหมือนกับที่เราพูดว่าน้ํานี้โดยธรรมชาติของมันเป็นสิ่งบริสุทธิ์ฉะนั้นน้ําทุกอย่างจึงทําให้บริสุทธิ์ได้อันหนึ่งคำว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนนั้นในคำภีอัตถกถาได้ที่บายไว้ดังนี้จริงอยู่ จิตปกติหรือปกติมโนคือผวังขจิตนั้นในเมื่อไม่มีอุปกิเลสเข้าไปทำให้เศร้าหมองแล้วจิตนั้นก็จะผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำที่ใสจริงอยู่น้ำที่ใสนั้นในเมื่อมีสีต่างๆเช่นสีเขียวเป็นต้นเข้าไปเจือปนน้ำนั้นก็เศร้าหมองไม่ใสเหมือนเดิม กลายเป็นน้ําสีเขียวไปอย่างนี้เป็นต้นและน้ําที่กลายเป็นสีเขียวไปแล้วนั้นจะว่าเป็นน้ําใหม่ก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นน้ําเก่าที่ใสก็ไม่ใช่ข้อนี้ฉันใดแม้จิตนั้นก็เช่นเดียวกันคือในเมื่อมีอุปกิเลส ต, ต่างๆเช่นอภิชาคือความโลภเป็นต้นเข้าไปมีอยู่ในใจแล้ว ใจนั้นถูกประทุสรายด้วยพิชาเป็นต้นแล้วจิตนั้นจะว่าเป็นจิตใหม่ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นจิตเดิมคือเป็นผวังขจิตอันมีมาตั้งแต่ก่อนก็ไม่ใช่ข้อความในอธถกฐานนี้แปลออกมาอย่างชนิดถอดความเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ไม่รู้สำนวนบาลี ในคำพีมโนรธาปุรณีภาคหนึ่งหน้าหสองซึ่งอธิบายพุทธพจน์ตอนนี้ท่านได้กล่าวไว้ดังนี้คำว่าจิตเป็นประพัสสอนนันหมายความว่าจิตขาวบริสุทธิ์ประพัสละลันติปันดาลังบริสุทธิ์ทางและคำว่าจิตในทีน่นี้หมายถึงภวังคจิตถามว่าจิตมีสีหรือไม่ท่านตอบว่าไม่มี อันที่จริงของสิ่งอื่นซึ่งเดิมจะมีสีเขียวหรือมีสีเหมือนทองคาหรือเป็นสีอะไรก็ตามในเมื่อสิ่งของนั้นๆไม่มีสนิมหรือไม่มีสีอื่นเจือปนแล้วก็เรียกว่าเป็นประพัดสอนได้ตัวอย่างเช่นทองเหลืองหรือทองคาในเมื่อไม่มีสนิมไม่เปื้อนด้วยสีต่างๆก็เรียกว่าเป็นประพัสอนได้ แต่สำหรับจิตแล้วจะเรียกว่าเป็นประพัสสอนก็ต่อเมื่อไม่มีอุปกิเรสปราศจากอุปกิเรสโดยสิ้นเชิงและคําที่ว่าจิตนั้นก็หมายถึงภวังขจิตตันจากโคติตังภวังขจิตตังและที่ว่าจิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเรสที่จรมานั้นคําว่าอุปกิเรสที่ว่านี้ หมายถึงอุปกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในภายหลังคือเกิดขึ้นในขณะของชาวนะในขณะของชาวนะก็คือในขณะที่คนเรากำลังนึกคิดและคำว่าอุปกิเลส ท, ที่จรมานานไม่จะหมายถึงกกเลส ท, ที่มีมาพร้อมกับระวังขจิตคือคำว่าอาคารตั ก, กะซึ่งหมายถึงอุปกิเลส ท, ที่จรมานาน ไม่ใช่หมายถึงกิเลสที่มีอยู่ในสันดานมาตั้งแต่แรกเกิดและอุปกิเลสที่ว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองนั้นหมายถึงกิเลสเช่นราคะเป็นต้นถามว่ากิเลสเหล่านี้ทำให้จิตเศร้าหมองอย่างไรท่านตอบว่าเปรียบเหมือนมารดาบิดาหรืออุปชาอาจารย์ซึ่งโดยปกติ ตนเองเป็นผู้มีศีลมีอาจาระสมบูรณ์แต่ว่าบุตรทั้งหลายหรือสัตว์ทวิหาริกอันเตวาสิกทั้งหลายเป็นคนทุศีลเป็นคนมีอาจาระคือความประพฤติไม่ดีแต่ตนเองก็ไม่เคยดุว่าหรือตำหนิไม่ให้การศึกษาอบรมไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อเป็นเช่นนี้ มารดาบิดาหรือประชาอาจารย์ก็ย่อมจะได้รับการติเตียนการเสียชื่อเสียงข้อนี้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันกล่าวคือขวังขจิตก็เปรียบเหมือนกับมารดาบิดาหรือประชาอาจารย์ผู้มีศีล ม, มีอาจาระสมบูรณ์ซึ่งโดยปกติขวังขจิตแม้จะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ก็อาจจะเศร้าหมองได้ในเมื่อปล่อยให้อุปกิเลส ท, ทั้งหลายที่จรมาเข้าไปทำให้เศร้าหมองซึ่งเปรียบเหมือนมารดาบิดาหรืออุปชาอาจารย์โดยปกติก็ไม่ควรจะรับการติเตียนหรือการเสียชื่อเสียงใดๆเพราะตนเองเป็นผู้มีศีลมีอาจารยสมบูรณ์แต่แล้วต้องมาได้รับก็เพราะไม่ดูว่าไม่ตําหนิ ไม่ให้การศึกษาอบรมไม่ว่ากล่าวสั่งสอนฉันนั้นและที่ว่าปล่อยให้อุปกิเลสเข้าไปทำให้เศร้าหมองนั้นคือโดยธรรมดาเกิเลสทั้งหลายเช่นโลวพระโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้จะเกิดก็เฉพาะในขณะแห่งชวนะจิตเท่านั้นในขณะแห่งชวนะเหล่านี้ ชาวนาจิตมีเจ็ดขณะถ้าหากจะไม่ยอมให้กิเลสอันใดเกิดก็ย่อมจะทำได้โดยการหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอทุกขณะจะนึกคิดอะไรให้มีสติกำกับทุกขณะแล้วกิเลสทั้งหลายก็จะไม่เกิดแต่นี่ปล่อยปละละเลยมีความประมาทไม่หัดให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะ กิเลสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นได้และเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในชาวนาจิตแล้วที่มาของกิเลสนั้นๆก็จะเกิดในสันดานคือเกิดในผวังขจิตสะสมอยู่ในผวังขจิตเพราะเหตุนี้ผวังขจิตจึงเกิดเศร้าหมองขึ้นมาได้ข้อความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่แปลโดยการถอดความเท่านั้นแต่ยังต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยเพราะเชื่อได้เลยว่าถ้าแปลออกมาตามตัวตามจำนวนบาลีจริงๆแล้วคนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องแน่ฉะนั้นจึงต้องแปลและต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยดังที่ได้เขียนมาให้ดูนี้ปกติ มนโนหรือผวังขจิตไม่ใช่จิตเดิมจากคําอธิบายในคำภีอัตถกถาที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปกติมนโนหรือผวังขจิตนั้นมีความหมายคนละอย่างกับคําว่าจิตเดิมในสูตรเว้ยลางเพราะจิตเดิมตามความหมายของท่านเว้ยลางนั้นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งความหมายอันนี้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันกับคําว่าจิตประพัดสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ก็ไม่ตรงกันทีเดียวฉะนั้นจึงขอเน้นให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าตามนัยยะของพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่จิตนั้นเศร้าหมองได้ ก็เพราะอุปกิกเส ท, ที่จรมาเข้าไปทำให้เศร้าหมองพุทธพจน์บทนี้พระพุทธเจ้ามีพาะประสงค์แต่เพียงจะให้เข้าใจว่าจิตนี้สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้พเพราะเกเสต่างๆนั้นไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมของจิตหรือไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตเหมือนกับสิ่งสกปรกหรือสีต่างๆหรือกลิ่นต่างๆที่มีอยู่ในน้านั้น ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้หรือคุณลักษณะประจำของน้ำเพราะโดยธรรมดาน้ำแท้แท้นั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปรกเหล่านั้นฉะนั้นน้ำที่สกปรกทุกอย่างจึงสามารถที่จะนำมากรองหรือกลัน่นให้เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ได้ขอให้พิจารณาพุทธพจน์ต่อมาให้ละเอียดคือข้อที่ว่า ภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัศสอนฉะนั้นจิตนั้นจึงหลุดพ้นจากอุปกเรศทั้งหลายที่จอมาได้ข้อที่ควรจะพึงระวังก็คื อ, อยาสืบสาวหาไปถึงต้นเดิมว่าก็ในเมื่อจิตนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือนกับน้ำเช่นนั้นแล้วมันเกิดเศร้าหมองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำนองเดียวกับเราจะสืบไปถึงคนคนแรกว่าเกิดเมื่อไรเกิดที่ไหนปัญหาในทานองนี้ไม่ควรนำมาคิดเป็นอคาดเพราะถึงจะคิดหรือค้นคว้าไปอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจหรือหมดสิ้นความสงสัยได้และที่สำคัญก็คือมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดอย่างนั้นอันหนึง่ง จากพุทธพจน์ ท, ทั้งสองบทที่อ้างมานั้นพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าบรรดากิเลสต่างๆที่สะสมอยู่ในภวังค์ขจิตหรือในสันดานนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะปล่อยให้มันเกิดเองซึ่งท่านในขณะที่เรากําลังนึกคิดอะไรอยู่นั้นจะพึ่งมีสติคอยกําหนดดูกิเลส และไม่ยอมให้กิเลสใดๆเกิดแล้วกิเลสนั้นๆก็จะพึงมีอยู่ในสันดานไม่ได้อย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดว่ากิเลสทุกอย่างที่มีอยู่ในสันดานเช่นตันหาราคาเป็นต้นนี้ถึงแม้จะเห็นว่าไม่มีใครเอาออกได้หรือละได้เลยก็ตามก็อย่าหลงผิดว่าเอาออกมาไม่ได้หรือละไม่ได้ เพราะกิเลสทุกอย่างที่มีอยู่ในสันดาน ล, ล้วนแต่เป็นอาคันตุ ก, กะคือเป็นแขกที่มาทีหลังทท้งนั้นฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เอาออกได้อย่างแน่นอนคนที่เอากิเลสออกไม่ได้กำจัด ก, กิเลสเหล่านี้ให้หมดไปจากสันดานไม่ได้ก็เพราะไม่รู้จักวิธีเอาออกการที่มีพระอระหันเกิดขึ้นในโลก ซึ่งไม่ใช่มีองค์เดียวแต่มีมากจนนับไม่ท่วนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมานานแสดงให้เห็นตัวอย่างชัดเจนแล้วว่ากิเลสทุกอย่างในสันดานเป็นอาคันต ก, กะจริงๆไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมของจิตอันหนึง่งขอให้สังเกตให้ดีว่าคำว่าจิตเดิมนั้นในความหมายจริงๆ หมายถึงเนื้อแท้ของจิตซึ่งเปรียบเหมือนน้ำที่สกปรกทั้งหลายนั้นเนื้อแท้ของน้ำเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่ได้หมายถึงจิตอันแรกพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่คนพบหรือเข้าถึงเนื้อแท้ของจิตเพราะฉะนั้นจึงกรัดยืนยันได้ว่าบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตทาให้จิตเศร้าหมองนั้น ทุกอย่างเป็นอาคันตุกะทั้งสิ้นและวิธีที่จะเข้าถึงเนื้อแท้ของจิตนี้ก็คือต้องปฏิบัติตามมัคมีองแปดสัพพันยุตภาวะตามหลักปรยยัชญาโยคะของศาสนาพราหมณ์เหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสามารถรู้อะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เคยทรงเรียนรู้มาก่อน ถ้ามีพระประสงค์จะรู้แล้วเป็นอันว่ารู้ได้ทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ได้เคยที่บายมาแล้วโดยชี้ให้เห็นเหตุผลว่าหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าทรงสามารถที่จะเลึกชาติของใครๆก็ได้และเราลึกได้โดยไม่มีขีดจํากัดสองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสามารถที่จะอ่านเอาจากสิ่งๆนั้นได้ 3. เพราะถามจากพวกโอปปจิกะที่เคยรู้เรื่องนั้นๆมาก่อนได้ 4. เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงพุทธภาวะหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าสัพพัญยุตภาวะและเหตุผลทั้งสี่ข้อนี้ได้ที่บายมาแล้วแต่ถึงแม้จะที่บายมาแล้วอย่างไรก็ตามก็เชื่อได้ว่า ผู้อ่านส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจและจะไม่ยอมรับในเรื่องนี้ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะในบทนี้จะชี้ให้เห็นถึงทัศนะของศาสนาพราหมณ์ซึ่งถ้าเข้าใจถึงหลักของเขาแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจด้วยว่าทำไมเขาจึงถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และสิ่งทั้งปวงในโลกและพระผู้เป็นเจ้าของเขานั้นนอกจากจะมีฤทธิ์อำนาจมากมายแล้วยังเป็นสัพพันยูอีกด้วยฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะลองศึกษาดูโดยที่ข้าพเจ้าจะยกข้อความจากหนังสือปรัชญาโยคะของสวามีสัตยานันทบุรีบางตอนมาให้ได้ศึกษากันดังนี้ โยคะคือการนิโรธพฤติกรรมของจิตสูตรที่สองหน้า7็ข้อนี้หมายความว่าจุดประสงค์อันสูงสุดของการบำเพ็ญโยคะก็คือการเข้าถึงความดับสนิทแห่งพฤติกรรมของจิตทุกอย่างซึ่งก็มีความหมายคล้ายกับการเข้านิโรธาสมาบัติของพุทธศาสนาขอให้เข้าใจว่า คล้ายกันเท่านั้นไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้จะมีที่บายในภายหลังและในเมื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งพฤติกรรมของจิตทุกอย่างแล้วผลที่จะปรากฏหลังจากนี้ก็คือจะเข้าถึงอาตมันหรือมองเห็นอาตมันซึ่งมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงอาตมันซึ่งมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงนั้น เรือีกชื่อหนึ่งก็คือปรมาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้าของเขาดัานเองดังที่ในสูตรต่อไปได้กล่าวไว้ดังนี้ครั้นแล้วผู้เห็นจะตั้งมั่นอยู่ในรูปของตนสูตรที่สามหน้ายี่สิบคำว่าครั้นแล้วในที่นี้หมายถึงในเมื่อพฤติกรรมของจิตดับสนิทเหมือนกับผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้น ผู้เห็นซึ่งหมายถึงอาตามันก็จะตั้งมั่นอยู่ในรูปของตนคือผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้ถึงขั้นนี้แล้วก็จะรู้หรือเห็นด้วยใจของตนว่าแก่นแท้หรือเนื้อแท้ของจิตหรือของสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรมีสภาพเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เป็นแก่นแท้หรือเนื้อแท้ของจิต ตามหลักปรัช ญ, ญาโยค่านี้เรียกว่าพระยุสวรซึ่งจะเห็นได้จากข้อความดังต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดในสากลจักรวาลซึ่งตั้งอยู่นอกเหนือไปกว่าพระยุสวรหรืออาตมันคือว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายย่อมดำรงอยู่ในพระยุสวรหรืออาตมันจากโยค่าสูตรหน้า9กสอง ข้อความที่อ้างมานี้เป็นคำอธิบายของท่านสวามีสัตยานันทบุรีซึ่งเป็นคำอธิบายในตอนที่กล่าวถึงเรื่องโอมและในคำภีพระควัสขีตาก็ได้กล่าวไว้ในธรรมนองเดียวกันนี้ว่าแน่อรชุนอาตมาเป็นเพื่อนของสัพพสิงสากลจักรวาลที่ปรากฏ เว้นอาตมาเสียแล้วย่อมมีไม่ได้จากพัควัตชีตา39ทับเาอัธยายที่ส0บข้อ39อันหนึ่งควรจะรู้ไว้ด้วยว่าคำพีพัควัตชีตาก็ดีคำพีปรัชญาโยคาก็ดีคำพีเหล่านี้คือหลักสำคัญของาศาสนาพราหมณ์หรือปัจจุบันเรียกว่ า, าศาสนาฮินดู ซึ่งคำพีเหล่านี้มีมานานก่อนพุทธกาลแล้วแต่ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกันมาเรื่อยๆฉะนั้นหลักการต่างๆที่กล่าวไว้ในคำพีเหล่านี้มักจะสับสนอ่านๆไปก็มักจะเห็นว่าขัดแย้งกันแต่อย่างไรก็ดีการบรรยายถึงลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาของเขานั้น โดยหลักใหญ่ๆแล้วก็มักจะตรงกันฉะนั้นจึงนำมาเทียบให้ดูและขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าภายหลังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็มีหลักที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นสัพพันญูเหมือนกับพระเจ้าของเขา ดังเช่นนโยค่าสูตรตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าในอีสวนนั้นพืชแห่งสัพพันยูมีอยู่เป็นเนืองนิดจากสูตรที่25สหน้า86จากสูตรนี้จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเข้าสมาธิได้ถึงขั้นที่พฤติกรรมของจิตดับสนิทแล้วก็จะเข้าถึงพระอีสวนซึ่งมีพืชของสัพพันยูอยู่เป็นนิด และในปรัชญาโยคะยังได้อธิบายลักษณะของพระอิศวรไว้อีกดังนี้ท่านพระอีศวรนั้นเป็นอาจารย์แม้ของบุรพาจารย์ทั้งหลายเพราะไม่ถูกขัดขวางด้วยการจากสูตรที่26หน้า87คําคำว่าพระอีศวรไม่ถูกขัดขวางด้วยการนั้นหมายความว่า พระยสวนเป็นผู้ที่ดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นปกติเป็นนิจนิรันต์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดและไม่มีความสิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาและตั้งตัวเป็นาศาสดาไม่ว่าในยุคไหนไหน ก็ได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระยศทั้งสิ้นและนอกจากนี้ในคำพีนี้ยังได้อธิบายไว้อีกว่าพระยนคือบุรุษวิเศษซึ่งไม่ติดข้องอยู่ด้วยกิเลสกรรมมิบากและตัณหาหรืออาสยะจากสูตรที่24หน้า8ปพระพุทธเจ้าของเราแม้จะได้ชื่อว่า เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธาคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากกรรมและวิบากของกรรมโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่ในสมัยอดีตก่อนที่ยังไม่สำเร็จนานก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกิเลสและยังอยู่ในอำนาจแห่งกฎของกรรมและยังละวิบากของกรรมไม่ได้ทั้งหมด คือในเมื่อยังมีอวิชชาเพราะยังไม่ได้เป็นพระราหันก็ย่อมต้องมีสังขารซึ่งหมายถึงกรรมและวิบากของกรรมแต่สำหรับพระอิศวรแล้วท่านสวามีสัตยา น, านัฐปุรีได้อธิบายไว้ดังนี้ที่ว่าพระอิศวรคือบุรุษวิเศษซึ่งไม่ติดข้องอยู่ด้วยกิเลสกรรมวิบากและตัณหานาน คือว่าในสมัยอดีตบุรุษใดไม่เคยติดพันอยู่ด้วยโลกิยธรรมในสมัยปัจจุบันบุรุษใดไม่ติดพันอยู่ด้วยโลกิยธรรมและในสมัยอนาคตบุรุษใดจะไม่ติดพันอยู่ด้วยโลกิยธรรมบุรุษนั้นแหละได้แก่พระยศความแตกต่างกันระหว่างอารยาชนกับยศ มีอยู่เพียงว่าในสมัยอดีตอรารยะชนเคยติดพันอยู่ด้วยโลกิยธรรมมาแล้วแต่อีสวนหาเป็นฉะนั้นไม่ส่วนในสมัยปัจจุบันและในสมัยอนาคตทั้งไทยอีสวนและอรารยะชนไม่มีการติดพันอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยจากโยคสูตร หน้า485ถึง486